อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ83 1. ิภิกษุบอกเรื่องที่เกิดแต่ไม่บอกอาบัตส 2. ภิกษุบอกอาบัตแต่ไม่บอกเรื่องที่เกิด 3. ภิกษุพุด้รับสมมุติสี 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัตทุตทุลาโรชนะสิกขาบทที่9จบ